ที่เสืั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก3ามจำพวกคือหบุคคลที่น่ากเกลียดไม่ควรเสฟไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ 2. บุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสฟไม่ควรครบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่และสบุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ก็บุคคลที่น่าเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นั้นเป็นอะไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีน มีทำรรเลวซ้ำไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานลึกลับไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าตนเป็นสมณะไม่ใช่ผู้ประพฤติประมาจันก็ปฏิญญาว่าตนเป็นผู้ประพฤติประมาจันเป็นคนเน่าในเปียกแชะมีสัญชาติหมักหมม เหมือนบ่อที่เถกขยะหมุนฝอยบุคคลเห็นป่านนี้ควรเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นพระเหตุไรพระแม้บุคคลผู้เสพคบด้วยจะไม่ถึงทิฏฐานุคติของบุคคลเห็นป่า น, นี้ก็จริงแต่กิตติศัพท์ที่ไม่ดีของเขาก็ย่อมระบือไปว่า เป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรมีคนชั่วเป็นสหายมีคนชั่วเป็นเพื่อนเปรียบเหมือนงูที่จมอยู่ในกองอุจจาระถึงแม้จะไม่กัดแต่ก็ทำให้เปื่อนได้ก้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันถึงแม้บุคคลที่ไปเสพครบด้วยกับบุคคลอย่างนี้ จะไม่ถึงทิฏฐานุคติของบุคคลนั้นก็จริงแต่กิตติศัพท์ที่ไม่ดีของเขาก็ย่อมระเบือไ้ว่าเป็นผู้มีคนชั่วเป็นมิตรมีคนชั่วเป็นสายมีคนชั่วเป็นเบื่อนฉะนั้นบุคคลเห็นบานี้จึงน่าเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้พิต่ตุตาลส่วนบุคคลที่ควรว่างเฉยไม่ควรเสฟไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โกรธมากไปด้วยความแกนใจเมื่อถูกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคือง มีความพยาบาทมีความขึงเคียดทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าก็ย่อมให้ความหมักหมมยิ่งกว่าประมาณหรือเปรียบเหมือนฐานไม้มาพลับถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้า ย่อมแตกเสียงดังจิจิหรือเปรียบเหมือนหลุมคูดถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าก็ย่อมมีกลิ่นเหม็นฟุ้งขึ้นก็หนีแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้โกรธมากไปด้วยความแค้นใจแม้ถูกว่าเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจ โกรธเคืองพยาบาทกึงเกียดทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏพิกษจตรงหลายบุคคลเห็นบาดนี้กวนวางเฉยไม่ควรเสพไม่กวรครบไม่ควรเข้าไปนงังไกลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึ่งด่าบ้างบริพาทบ้าง ทำความพินาศให้เราบ้างฉะนั้นบุคคลเห็นปาน่านนี้จึงไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ปิศาลายส่วนบุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้นั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม บุคคลเห็นป่านนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งไกลข้อนั้นบ ร, ริเหตุไรเพราะแม้จะไม่ถึงทิฏฐานนุกติของเขาแบบนั้นก็ตามถึงกระนั้นชื่อเสียงที่ดีงามของเธอก็จะระบือไปว่าเป็นผู้มีคนดีเป็นมิตรมีคนดีเป็นสหาย มีคนดีเป็นเพื่อนฉะนั้นบุคคลเห็นปานนี้จึงควรเสพควรครบควรก็ไปนางไก่อิกุตต้งหลายบุคคลสามประเภทเหล่านี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาซื่อไปว่าบุรุษคบคนเลวย่อมเลวลงคบคนที่เสมอกัน ย่อมไม่เสื่อมในการไหนๆครบคนที่สูงกว่าย่อมพลันเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นจึงควรครบคนที่สูงกว่าตนนี่คือชิกุตชสูตรมาในพระไตรปิฎกเล่มที่20สิบอังคุตรานิกายเริ่มต้นที่ข้อ466 ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบูร์อะพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุรดนานีนำพระสูตรที่ชื่อว่าชิคุจชะสูตรมาอ่านในธมูุฟังได้ฟังกันในพระสูตรเรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจธมูุฟังว่าคนเราเนี่ยไม่ควครคบกับคนที่ต่ำกว่าเราคือถ้าคบกับคนที่เลว งจุดไหนเราอาจจะเลวลงได้ที น, นี้ถ้าเอว่าอาจจะไม่เลวลงแต่อย่างน้อยชื่อเสียงที่ไม่ดีก็ขจ อ, อนไปในทางตรงกันข้ามถ้าคบคนที่สูงกว่าดีกว่าเราเราก็จะดีกันได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าได้แบ่งเอาไว้เป็นสมส่วนด้วยกันในส่วนแรกเปรียบเทียบกับงูที่จมลงไปในหลุมคูด อันนี้เปรียบกับคนที่น่าเกลียดไม่ควรเสพครบไม่ควรเข้าใกล้อุปมาประมัทที่2เปรียบเทียบกับแผลกลัดหนองด้วยหรือทานไม้มะพร้าหรือคูดคูดนี้ก็คืออุจจาระนั่นเองถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบลงไปในเช่นถ้าธรรมุังเคยเป็นฝีกลัดหนองแล้วมีอะไรมาโดนมากระทบเนี่ ย, ยมันจะ เจ็บมากประว่านะไรมันมีเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ทําปฏิกิริยาให้เกิดการอักเสบเป็นหนองขึ้นเนี่ยอะไรมากระทบกับเจ็บเจ็บช้ําแล้วยังแถมจะติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยหรือฐานไม้มาพรับเอาไม่ต้องเอาฐานไม้มาพรับก็ได้เอาฐานที่เราหุงข้าวอยู่ทุกวันทุกวันนี่แหละจำว่วงถ้าตีลงไปเนี่ยในขณะที่มันยังเป็นร้อนๆแดงๆเนี่ยมันก็จะแตกปะทุออกมาฐานไม้มาพรับนี่ ยิ่งกว่าอย่างนั้นอีกยิ่งจะแตกบึ้มๆขึ้นมาอย่างที่สามนั้นก็เปรียบเทียบกับอุจจาระอย่างเวลาบางทีพระไปเดินบินธบาติเนี่ยนะท่านฟังวัวควายก็เดินไปกินหญ้าใช่ไหมเขาก็จะตอนมันไปกินหญ้าตามโคกตามหนองตามบึงอะไรต่างๆบางทีระหว่างทางมันเดินไปมันก็พูดออกมาอุจจาระมันก็กองเรี่ยรานอยู่ตามถนนเนี่ยแล้วบางทีรถยนต์เขาขับมาใช่ไหม ก็มาเฉียดๆใกล้ๆกับพื้นลงไปบนกองอุจจาระของวัวควายนีย่มันก็จะกระเด็นไปทั่วบริเวณนั้นเลยจำ่วังอันนี้คืออุปมาประไมที่สอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ควรเสพครบไม่ควรเข้าใกล้แต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดอันแรกนี่คือน่าเกลียดด้วยไม่ควรเสพครบไม่ควรเข้าไปใกล้อันที่สองนี่ใช้คําว่าควรวางเฉย ควรบังเฉในข้อแตกต่างระหว่างสองอย่างแรกสองบุคคลประเภทแรกเนี่ยประเภทแรกนี่บางทีเนี่ยดูแล้วอืมหน้าเคารพดูแล้วอืมหน้านับถือแต่ว่ามีความลึกลับไม่ใช่สมณนะแต่ก็ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณนะมีความประพฤติ ท, ที่เน่าในหมักหมมคือดูภายนอกอาจจะดีผู้จาเรียบร้อยต่อต่ อ, ตอหน้าคน แต่รับหลังเวลาอยู่สองคนหรือ3มคนด่าเขามีกิจการงานลึกลับมีความไม่สะอาดแต่คนจะสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยดูที่ต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งรับหลังพูดอีกอย่างหนึ่งพูดสองคนพูดอย่างหนึ่งพูดมากคนพูดอีกอย่างหนึ่งอังนนี้คือมีความไม่สะอาดดูไปนอกอาจจะดีแต่ว่าควรรังเกียจในขณะที่บุคคลประเภทที่สองเนี่ย ดูต่อหน้าเนี่ยนะด่ากราดฉาดฉาดฉาดโดนนิดนึงก็ถูกด่าถูกว่าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเออไม่ได้หน้ารังเกียจนะยังมีโทษน้อยกว่าโดยบุคคลประเภทแรกที่เหมือนจะดูดีมีความนิ่มนวลภายนอกแต่ข้างในหมักหมมเนี่ยเหมือนกับงูอยู่ในหลุมคูดถึงแม้มันจะไม่กัดแต่ก็ทําให้เปื่อนได้ในขณะที่ บุคคลประเวทที่สองที่ว่าดูแล้วแหมอาจจะทําท่าทางโกรธขัดเคืองแต่ถ้าเขาไม่ได้ผิดศีลไม่ได้มีความประพฤติไม่สะอาดไม่ได้มีความหมักหมมยังมีความเป็นสมณะอยู่เนี่ยดูข้างนอกอาจจะดูไม่ดีถูกด่าถูกว่าที่จัดขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงกับหน้ารังเกียจถ้าเราเห็นแบบนี้เราควรจะวางเฉยด้วยซ้ำควรวางเฉยแต่ก็ ไม่ควรจะไปคบกับเขาเขานื่อเพราะก็จะถูกทิ่มแทงด่าบริพาดดันั้นจึงไม่ควรเข้าไปเสพคบด้วยแสอ 2. บุคคลประเภทแรกนี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรเสพคบด้วยไม่ควรเสพคบด้วยแต่พระเจ้านำมาให้ธรรมว防 ฟ, ฟังเนี่เพื่อที่จะได้ให้เห็นความแตกต่างนะว่าบางทีข้างนอกดูดีแต่ข้างในเน่าเนี่ยก็ไม่ควรเสพไม่ควรครบควรรังเกียจ ด, ด้วยซ้ําคําว่าควรรังเกียดเนี่ย คือเป็นลักษณะของฮิริโอตาปะ่คือเราจะมีความละอายความกลัวกลัวต่อบาปละอายต่อบาปอย่างเงี้ยต้องเกิดขึ้นในใจของเราแต่พะมีหิริโอตาบาแล้วเนี่ยถ้ามีความอนุเคราะห์ต้องแก้ไขและก็ไม่น่ารังเกียจนี่ก็ต้องแก้ไขแก้ไขในลักษณะที่จะไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่ถึงแม้บางทีเราจะแก้ไขไม่ได้แต่ก็ต้องมีความคิดนี้อยู่ในใจว่าเราจะต้องไม่ให้ คุณธรรมที่มันไม่ดีแบบนั้นเนี่ยมายอยู่ในใจของเรามีความรังเกยียจทีนี้คําว่าเสพและคําว่าควบเนี่ยคำว่าเสพนี่ก็คือหมายถึงว่าเขาพูดอะไรมาเราก็ฟังเขาพูดอะไรมาเราก็ปฏิบัติตามลักษณะนี้เรียกว่ามีการเสพยกตัวอย่างเช่นว่านายดำกับนายขาวเนี่ยเขเป็นเพื่อนกันนายดากับนายขาวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนายดําเนี่ยก็ไป เสพคบในเสพคบนี่คือหมายความว่าไปฟังไปทําตามไปคบหากับภิกษุรูปหนึ่งเปรากว่าภิกษุรูปเนี้ยเป็นภิกษุที่มีความเน่าในเปียกแชเป็นคนที่ไม่ดีว่างนะ น, นะไหนดําก็ไปคบหากับภิกษุรูปนี้เป็นครูบาอาจารย์แต่ไหนดํานี่ก็ปฏิบัติดีนะถ้าเขาสอนส่วนไหนมาดีๆเนี่ยไหนดําก็ทําดีตามเพราะว่า ข้างหน้ามันดีไงแต่พระรูปนี้ข้างหลังอาจจะไม่ดีข้างหลังมีความประพฤติเน่าในเปรียกแชะห ม, ม, มักหมมแต่ว่าในดำก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเห็นแต่ด้านดีๆก็เลยไปเป็นลูกศิษย์ลูกหามีการคบหามีการเสพคบธรรมะของภิกษุที่ไม่ดีนั้นที่ตัวเองยกย่องเป็นครูบาอาจารย์โดยความไม่รู้หรอกแต่อะไรก็ตามเวลาที่คนทาไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีข่าวกระจนกระจายไป แต่ว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ให้ที่หมักมบมาไว้มันก็มีที่ปูดมาเน่าให้เห็นส่งกลิ่นบ้างแต่ตรงนั้นตรงนี้มีข่าวกระจอนกระจายออกไปเนี่ยคนทั้งหลายเขาก็รู้เรื่องใช่ไหม อ, อ้าวพอภายหลังนายขาวเข้ามาทราบว่าอา้าวนายดำเป็นลูกศิษย์ของพระองค์นี้เหรอเนี่ยนายขาวก็เคยได้ยินข่าวเคยทราบเรื่องเนี่ยเขาก็จะมามีความคิดนายขาวเนี่ยนะก็จะมามีความคิดที่ไม่ดีกับนายดําได้ว่า เอาในดำเป็นลูกศิษย์ของพระที่ประพฤติไม่ดีองค์นั้นหรือนี่แหมเอแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมก็จะมีความคิดอย่างนี้ไปอันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้นะว่าถึงแม้ตัวเราในตัวเราเองเนี่ยในดำเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ไปเอาความไม่ดีของพระรูปนั้นมาที่ก็ปฏิบัติไม่ดีก็จริงอะแต่ว่าชื่อเสียงที่ไม่ดีก็ย่อมระเบือไปว่าอ๋อในดำนี่มีคนชั่วเป็นมิตร มีคนชั่วเป็นครูบาอาจารย์อ่าอย่างนี้ก็ไม่ดีถึงแม้นายดำจะไม่ได้ถึงความไม่ดีไปด้วยแต่ก็จะมีคนเขาเคลือบแคลงตัวนายดำได้ทีนี้ชื่อเสียงความเน่าที่มัน ก, ร, กระจายไปเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันนะตำรฟังนะบางทีอาจจะถูกใส่ร้ายหรือเปล่าหรือว่าบางทีไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันนี้เราก็ต้องมีการตรวจสอบ มีการทำสิ่งที่มันผิดให้มันถูกแล้วถ้ามีการตรวจสอบระงับอธิกรณ์เรื่องราวต่างๆแล้วเอาชื่อเสียงก็ขจรกระจายไปดีก็ค่อยแก้ไขกันขึ้นมาอย่างไรก็ตามการที่ไปเสพครบเข้าใกล้กับบุคคลที่ดูภายนอกดีแต่ข้างหลังเน่าในเนี่ยไม่ดีไม่ดีดพระพรทธ้าเตืนเอนไว้ว่าอย่าไปทำอย่างนั้นนะควรรังเกียจ แต่การว่ารังเกียจนี่คือต้องแก้ไขทําสิ่งที่เขาทําผิดเนี่ยให้ถูกควรรังเกียจนี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆนั่นคือบุคคลประเภทที่2อเป็นบุคคลประเภทที่2เนี่ยเขาไม่ได้ผิดศีลเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเพียงแค่มีความโกรธความขับแค้นใจถูกว่าเน้นน้อยก็ด่าขึ้นมาโกรธขึ้นมาอันนี้เราควรวางเฉยเนี่ยอ่าไปใส่ใจเขานี่มันต่างกันนะ ดูภายนอกอาจจะไม่ดีแต่ก็ควรหวังเฉยอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้คนประเภทที่สองในขณะที่คนประเภทแรกดูเหมือนจะดีแต่ระวังเฉยไม่ได้ควรจะต้องรังเกียจควรจะต้องแก้ไขถ้าทำอะไรได้ต้องแก้มีอะไรได้ต้องบอกทำอะไรได้ต้องทำไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรเสพครบในบุคคลประเภทแรกแล้วก็ประเภทที่สองีทีนี้ในบุคคลประเภทที่3ามดมวัง พระบูดาจ้าบอกว่าควรเสพควรบคบควรเข้าไปนั่งใกล้ด้วยก็คือบุคคลที่มีศีลมีกัลยาณธรรมมีศีลมีกมัลยาณธรรมศีลก็คือความปกติที่มันดีๆถ้าเป็นกะระวาศีลห้าถ้าเป็นพระภิกษุก็ศีลที่เป็นเบื้องต้นถึงพรหมจรรย์ที่จะเป็นไปเพื่ออ า, าราจและโคจรที่ดีนั่นไล่ไปมีเยอะแยะไปหมด กัลียนธรรมคือทำอันงามคำว่าทำอันงามทำอันดีเนี่ยมีหลายอย่างนะบุฟังไห่มาตั้งแต่สมาธิปัญญาเนะี่ยบางคนมีศีลสมาธิปัญญาแต่อาจจะสอนไม่ได้อันนี้ก็ยังควรเจ็บครบบางคนมีศีลสมาธิปัญญาพอดีกับตัวเองแล้วสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยถึงแม้ว่าเขาจะสอนเราไม่ได้ในะบุคคลประเภทนี้นะที่มีศีลมีกัลียนธรรมเนี่ย เราอาจจะยังไม่ได้รับความดีของเขาอะศึกษาไม่ได้ทําไม่ได้แต่ว่าการเข้าไปหาเข้าไปเสพครบเข้าไปนั่งใกล้เนี่ยจะทาให้ตัวของเราเองมีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปอยกตัวอย่างนายดำกระดังข่าวเนี่ยนตะ้องระวังถ้าในกรณีที่สองนายดำเนี่ยนะนายดำไปคบกับพระรูปที่สองาต่ไปเป็นลูกศิษย์ของพระรูปที่สองพระรูปที่สองนี่อาจจะไม่ได้มีคําสอนอะไรดีๆสอนอะไรไม่เป็นแต่ว่าประพฤติดีนะ มีความประพฤติที่ไม่เน่าในเปียกแฉะมีความสะอาดพูดต่อหน้าก็เหมือนกันกันกบรับหลังพูดกับสองคนสามคนก็เหมือนกับพูดคนหมู่มากแต่ชื่อเสียงของพระองค์นี้ก็กระจายไปว่าโอ้ปฏิบัติแบบนี้นด้ขาวได้ยินชื่อเสียงของพระรูปที่สองนี้แล้วพอมาทราบว่าอ๋อในดำเป็นลูกศิษย์ของพระองค์นั้นเหรออ๋อเออ ด, นะดีนะดีนะมีชื่อเสียงกระจกระจายไป ที่ดีแตนี้อย่างไรก็ตามนะท่านผู้ฟังนะแค่จะเอาคำว่าชื่อเสียงเป็นหลักเนี่ยมันยังไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าภิกษุรูปที่1กับรูปที่2เนี่ยต่างก็มีชื่อเสียงดีเหมือนกันไงในตอนแรกแต่เพราะว่าปกปิดเอาไว้มันเน่าอยู่ข้างในเนี่ยรูปที่1ที่ว่าไม่ดีเนี่ยแต่ว่าปรากฏชื่อเสียงออกไปดีมันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ดังนั้นก็จะต้องดูให้ดีศีลหรือความสะอาดเนี่ยท่านผู้ฟังของบุคคลในบุคคลหนึ่ง ไม่ใช่ว่าจะดูกันได้แป๊บเดียวก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ดูผิวเผินแต่ต้องดูกันไปลึกๆถึงจะรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคิดใกล้ครูนแค่ไม่ยีเปรา่าแต่ต้องคิดกันหลายเปรา่าต้องมีความละเอียดแยบคายมีความฉลาดถึงจะรู้ได้ว่าคนนี้ที่มีชื่อเสียงมาดีเนี่ยดีจริงไหมสะอาดจริงไหมมีศีลจริงไหมนถ้า เรื่องของเสียงก็ต้องอยู่ร่วมกันถึงจะรู้ได้ถ้าเรื่องของความสะอาดก็ต้องมีการฟังสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละว่าพูดต่อหนะ้าเป็นอย่างไรรับหลังเป็นอย่างไรคำก่อนกับคำหลังขาดกันหรือไม่อันนี้ต้องดูตรงนี้ทีนี้ในสามข้อนี้ตั้งบฟังข้าพเจ้ามาอ่านเกล้ครวนอยู่หลายรอบนี่พระพุทธเจ้าตรัสคำสุดท้ายสรุปไว้เป็นคาถาและสรุปไว้เป็นคาถาคือเป็นคำกลอน และเป็นหลายครั้งละ่ะที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสเรื่องคําเล่าไปเป็นคําร้อยแก้วนั่นคือเหมือนกับเปลียงความไปเขียนไปธรม ร, ปธรมดาอ่านไปธรรมดาพูดไปธรรมดาแล้วก็สรุปจบด้วยคําร้อยกรองใ น, นร้อยกรองนี้ก็คือเป็นบทประพันธ์เป็นคําที่จะมีสัมผัสสละสวยเป็น ค, คนํากรอนมากนั่นเถอะตรงนี้ในทางภาษาบาลีเขาก็จะเรียกว่าเป็นคาถาก็คือเป็นคำกรอนธรรมดานนหน่อย นะคําคาถาที่พระพุทธเจ้าสรุปรวบในในส่วนของตัวเนื้อหาข้างบนเอาไว้เนี่ยก็กล่าวว่าบุรุษคบคนเลวย่อมเลวลงคบคนที่เสมอกันย่อมไม่เสี่อมในการไห น, ไหนคบคนที่สูงกว่าย่อมพลันเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นจึงควครคบคนที่สูงกว่านี่คือพระพุทธเจ้าสรุปตรัสไว้ตรงนี้ประเด็นมันคือตรงนี้จำบ่หวังสําหรับคนที่สูงกว่าเนี่ย คนที่สูงกว่านี่นะเขาก็จะมองคนที่มีศีลไม่เท่าเขาแล้เราจะวัดความสูงหรือความต่ำเนี่ยก็วัดกันที่ศีลสมาธิปัญญาและวีมุตต์เน่ยสีอย่างนี้นะศีล ส, สมาธิปัญญาและวีมุตต์สีข้อ น, นี้ออกมาจากไหนก็ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านพึ่งตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยท่านได้เคยบอกไว้ว่าเอ๊เราจะเอาใครเป็นที่พึ่งที่ครอบดีคนที่อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งที่ครอบเนี่ยไม่ดีนั่ยนี่คือ สอดคล้องกันนะว่าไอ้ควรจะมีบุคคลที่สูงกว่าในการที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งในการที่เราจะเอาเป็นที่ไปในการที่เราจะเอาเป็น role model เป็นตัวอย่างในการทำการปฏิบัติเป็น idol ของเราวางกันเอนะเป็นที่เคารพที่สักการะเอาไว้เอถ้าไม่มีมันไม่ดีเอาแล้วใครที่เราจะควรจะไปเสพครบเอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่ที่จะตั้งจิตเอาไว้ถึงก็ดูไปแล้วก็ใครมีศีล ที่มากกว่าตัวพระองค์หรือไม่สมาธิปัญญาและวิมุตต์ก็เหมือนกันเพราะว่าในทั่วจักรวาลเนี่ยทั่วโลกเนี่ยสามโลกธาตุเนี่ยไม่มีใครที่จะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์เท่ากับพระองค์เลยก็จึงเอาพระธรรมที่ตรัสรู้นั่นแหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่ตั้งอาไว้ในคุณธรรมสี่ข้อเนี่ยจึงเป็นตัวที่จะเอามาบ่งบอกว่าใครจะสูงกว่าใครก็ดูที่สข้อตรงนี้ ควรจะคบกับเขาหรือไม่ดูที่สข้อตรงนี้ทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ตมฟังว่าถ้าคนที่มีศีลสมาธิปัญญาและบิะ pool, มุติน้อยจะไปคบกับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาและบิมุติสูงกว่าเนี่ยคนที่มีศีลสมาธิปัญญาและบิมุตสูงกว่าเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาคบกับคนที่ Rama, si มีศีลสมาธิปัญญาและบิมุตต่ำกว่านะไม่อยากคบเอาทำไมอ่ะเอาก็พูดอยู่ในที่นี้ไงว่าถ้าคบกับคนที่ ต่ำกว่าแล้วก็จะเลวลงคบกับคนที่เสมอกันก็คงที่คบกับคนที่สูงกว่าถึงจะดีเอา้าแล้วถ้าคนสูงไปคบกับคนต่ําคนสูงก็จะต่ําลงคนต่ําก็จะสูงขึ้นอา่าแล้วทีนี้คนสูงก็จะไปยอมคบกับคนต่ำเหรอเหมือนทีท่านผู้ฟังอาจจะมีความสงสัยในข้อนี้แตเขาก็ไม่อยากจะคบอ่ะถ้าคบแล้วฉันจะต่ําลงเธอมาทําไม่ดีให้ฉันเห็นและมีข้อปฏิบัติที่ไม่ดี บางีความไม่ดีนะั้นมันก็ซึมซาบมาได้อ้ยไม่ครบหรอกไม่ครบท่าผมผฟังมางท่านอาจจะมีความคิดในข้อนี้อย่างนี้นะซึ่งตรงนี้เราต้องดูบทเพีนใชนะให้ดีนิดหนึ่งนะะพระพุทธเจ้าบอกตรงนี้บอกว่าคบคนเลวนะย่อมเลวหลงคำว่าเลวเนี่ยก็คือไม่ดีที่มีศีลมันไม่มีศีลที่มีสมาธิมันไม่มีสมาธินะหรือตรงกันข้ามไปเลยคือมีมิจฉาสมาธิไปเลยมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะไปเลยนะั่เป็นลักษณะ แบบตรงกันข้ามไปเลยอันนี้คือเลวแล้วอยู่ในแดนลบแล้วแต่มางคน อ, อาจจะไม่ได้ถึงอยู่ในแดนลบอ่ะแต่ว่าอยู่ในแดนที่ดีๆแต่ยังไม่ดีมากมีศีลอยู่แต่ว่ายังผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้อันนี้ยังไม่ถึงกับเลวแต่ว่ามีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์น้อยอันนี้เราต้องแยกแยะให้ดีแล้วก็มีจุดหนึ่งนะคผู้ฟังคนที่มีศีลสมาธิปัญญาน้อยเนี่ยจะไปคบกับคนที่มีศีลสมาธิปัญญามากเนี่ย เยวอย่างว่าแหละเขาบางทีไม่อยากคบกับเราด้วยไม่สนใจไม่แคร์ไม่ให้คําแนะนำํำวางเฉยซะปล่อยทิ้งไปไม่คบด้วยเนี่ยแต่ว่าคนที่มีสีสมาที่ปัญญาบิมุติน้อยเนี่ยควรจะไปคบกับเขาเอาแต่คนที่สูงกว่าเขาไม่ยอมคบด้วยจะทํายังไงในอย่างพระบุทธเจ้าอย่างเงี้ยมีสีสันที่ปัญญาบิมุตมากเอาแล้วทําไมมีคนมาเสพโคกับพระองค์แล้วทำไมพระองค์ถึงอย่างจะไปเสพโคกับคนอื่นไม่งั้นจะทําให้ พรงมีศีลสมาธิปัญญาและบิมตรุษต่ำลงหรือไม่ใน ต, ตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสอวยทำบุญฝังบอกว่าด้วยความกรุณาด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความเอนดูนะด้วยความเอนดูด้วยความกรุณาด้วยความอนุเคราะห์จึงเสพคบด้วยกับคนที่มีศีลสมาธิปัญญาและบิมตรุษต่ำกว่านะื่อเพราะด้วยความอนุเครานะห์แต่ถ้าคนที่เป็นครูบาอาจารย์มี4ข้อนี้สูงกว่า แล้วมีความกรุณาเนี่ยก็จะบอกสอนลูกศิษย์ทั้งหลายนี่เป็นอย่างนี้ในทางพระสงฆ์เนี่ยจะมีคําคําหนึ่งทั้งว่าเวลาที่จะบวชพระหรือมาขอนิ่ใส่เนี่ยผู้ที่เป็นลูกศิษย์จะมาขอนิ่ใส่เนี่ยมาขอให้อบ ร, รมสั่งสอนเนี่ยก็จะพูดอย่างนี้บอกว่าอชัตตะเคดานิเถโรไมหังภาโรอะหัมปิเทรสาพาโรจะพูดอย่างเงี้ยสามผลในคำนี้แปลว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนะี่พระเถระคืออาจารย์เนี่ยท่านเนี่ยเป็นภาระของข้าพเจ้าแม้ตัวข้าพเจ้าก็เป็นภาระของท่านอาจารย์นะภาระแรกกับภาระที่สองไม่เหมือนกันนะจำฟังนะภาระแรกเนี่ยที่ลูกศิษย์จะมาคบหาครูบาอาจารย์ต้องการให้ท่านบอกสอนภาระแรกเนี่ยก็คือการที่ใส่ใจในคำบอกสอนรับฟังคาตักเตือน้วยคำเคารพหนักแน่น จะมาอุปถัมภ์อุปถมัมภ์คอดูแลรับใช้ตามหน้าที่ของลูกศิษย์ควรทำต่อครูบาอาจารย์นี่เป็นภาระของลูกศิษย์ที่ต้องมีส่วนอาจารย์มีภาระต่อลูกศิษย์นล้วก็คือเป็นภาระจะรับเป็นภาระดูแลให้ว่าตรงไหนข้อปฏิบัติไหนที่มันไม่ดีจะบอกจะสอนนะตรงนี้ศีลไม่ดีตรงนี้สมาธิแก้ได้ปัญญาควรเห็นอย่างนี้แต่ถ้าอาจารย์ผู้นั้นมีความอนุเคราะห์ มีความกรุณามีความเอ็นดูด้วยความคิดว่าเออบุคคลคนนี้ครรวายคนนี้เด็กคนนี้หรือโยมผู้นี้ถ้าอาศัยเราแล้วจะเจริญด้วยคุณมีศีลมีกตณธรรมต่างๆเป็นต้นเนี่ยแล้วท่านไม่หวังผลตอบแทนซึ่งวัตถุอะไรก็อาจจะสามารถสงเคราะห์บุคคล น, นั้นได้โดยรับเขาไว้เป็นผารักในการอบรมสั่งสอน การอบมสั่งสอ น, นี่ไม่ใช่ไม่เป็นภาระในธรรมุฟังเห็นตัวข้าพเจ้าเนี่ยกว่าจะมาพูดได้ในแต่ละวันละวั น, นอ๋อมีภาระในการที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลกำหนดบทเพียญชนะนี้เป็นภาระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจริงๆเนี่ยนะผู้ก็พูดเถอะอยู่วัดไปบิณฑบาตมันก็มีข้าวกินที่อยู่ก็มีอยู่แล้วความลำบากไม่มีแต่ทำไมจะต้องมารับภาระในการจัดรายการวิดีโอทุกวนันทุกวนันเอาเพราะว่าความที่แห่งธรรมะ เป็นธรรมดีกินคนเดียวมันไม่อร่อยธรรมะฟังแล้วแบ่งกันกินอันนี้ข้าพเจ้ารับภาระให้นั่นคือมันจะมีธรรมะอยู่ห้าข้อละเราอาศัยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีหนึ่งเพราะอาศัยความกรุณาอาศัยความเอนดูต่างๆเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยอาศัยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีจึงรับภารานี้ธรรมะฟังเองฟังธรรมะขอให้เป็นผู้รับภารานี้ด้วยรับภาระในการที่จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม รับภาระกันไปเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาหรือบิดมืดตรงไหนที่มันจะพัฒนาได้ทําให้ดีขึ้นได้เอาภาระนี้ไปทําให้เป็นผู้ที่รับฟังคําตักเตือนด้วยความกรบหนักแน่นเราจะเป็นผู้ที่มีความเจริญมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าในธรรมะวินัยนี้ได้วันนี้ได้นําเรื่องของชิกุชสูตรบุคคลที่ควรเสพคบหรือไม่ควรเสพคบดูอย่างไรมีอุปมาอย่างไร มาให้ธรรมุฟังได้ฟังกันเวลาก็หมดแล้วํารมุฟังแต่มีคำถามก็เสนอแนะหรือสิ่งใดๆไปที่เว็บไซต์ purethamma.com p u r e d h a m m a com ข้าพเจ้าพระมหาับบูญพี่ปุณโญเจริญปอน